จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจมุ่ใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23พฤศัิราย2558เป็นวันที่ท่านตั้งลวยได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติ ตามรธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้ชีวิตจิตใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุดมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปตามลำดับจนถึงความเจริญขั้นสูงสุดก็คือได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันตสาวกทำเหล่านี้ พวกเราสามารถที่จะนํามาปฏิบัติได้ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความแน่วแนต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันอย่างวันนี้พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาติดเครื่องปรับอากาศให้แก่ใจของเรา เพื่อใจของเราจะได้เย็นสบายมีความสุขใจของเราก็เปรียบเหมือนบ้านที่เราอยู่อาศัยบ้านของเราเวลามันร้อนอยู่ก็ไม่ค่อยสบายแต่ถ้าเราไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งไว้ที่บ้านอากาศในบ้านของเราก็จะเย็นสบายถึงแม้ว่าอากาศภายนอกบ้าน จะร้อนขนาดไหนก็ตามแต่ภายในบ้านของเราจะเย็นจะสบายเพราะเรามีเครื่องปรับอากาศฉันใดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นใจของเราเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเราถ้าใจของเราร้อนใจเราก็ไม่สบายเราก็ต้องมาแก้ความร้อนของใจ ด้วยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศของใจเครื่องปรับอากาศของใจก็คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าสังสอนให้พวกเราพยายามติดเครื่องมาปรับอากาศด้วยคุณธรรม4ี่ประการด้วยกันเรียกว่าพรหมวิหารสีคือหนึ่งเมตตาสองกรุณา สามุมดิตาสี่อุเบกขานี่คือคุณธรรมถ้ามีอยู่ภายในใจของใครแล้วจะร่มเย็นเป็นสุดเหมือนกับเป็นพรหมนะราะคำว่าพรหมวิหารก็แปลว่าบ้านของพรหมนั่นเองวิหารแปลว่าบ้านพรหมก็คือพระพรหมนะผู้ที่มีจิตใจสูงส่งนะ ในบรรดาสัตว์โลกทั้งหมดถ้าไม่นับถึงพระอริยาจาก็จะมีพระพรคมนี้เป็นผู้ที่สูงสุดเป็นผู้ที่มีความร่มเย็นเป็นสุดมากที่สุดถ้าพวกเราปรารถนาให้จิตใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุดเหมือนกับพระพรหมเราก็ต้องสร้างคุณสมบัติหรือคุณธรรมสี่ประการนี้ ให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราให้ได้วิธีจะทำให้เกิดก็คือเราต้องหมันสร้างมันขึ้นมาเรื่อยๆสร้างความเมตตาขึ้นมาเรื่อยๆสร้างความกรโราณาขึ้นมาเรื่อยๆสร้างมุดีตาขึ้นมาเรื่อยๆสร้างอุเบกขาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะทำหาหังนี้ก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ถ้าเราอยากจะได้ต้นไม้ อยากได้ดอกผลของต้นไม้เราก็ต้องขยันปลูกต้นไม้กันขยันปลูกต้นไม้แล้วขยันดูแลรักษาต้นไม้คอยลดน้ำเพื่นดินอยู่เรื่อยๆคอยกำจัดวัชพืชต่างๆที่จะมาแย่งอาหารของต้นไม้ไปถ้าเรามีความขยนันมีความอดทน ที่จะคอยบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ต่อไปต้นไม้ก็จะออกดอกออกผลให้แก่เราฉันใดคุณธรรมทั้งสี่ประการคือพรมวิหารสีนี้ก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ที่เราจะต้องคอยปลูกกันปลูกแล้วก็คอยดูแลรักษากันวิธีจะจะปลูกเราก็ต้องรู้ว่า คุณธรรมทั้งสี่นี้เป็นอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไรต้องทําอย่างไรจึงจะทําให้เกิดคุณธรรมทั้งสประการนี้ขึ้นมาคุณธรรมข้อแรกคือเมตตาเราก็ต้องเข้าใจความหมายของคําว่าเมตตาว่าแปลว่าอะไรเมตตาก็แปลว่าไมตรีจิตนั่นเองไมตรีจิตคือมีความ ปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงรวมไปทั้งมนุษย์เทวดาและเดรัจฉานเราไม่ควรโกรธไม่ควรเกลียดใครเพราะความโกรธความเกลียดนี้เป็นศัตรูกับความเมตตาอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกันถ้าเรามีความโกรธความเกลียดแสดงว่าเราไม่มีความเมตตา ดังนั้นเราต้องคอยกำจัดความโกรธความเกลียดด้วยการให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมเวลาใครเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีทำให้เราไม่สบายใจไม่พอใจทำให้เราโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเราต้องรีบระงับมันคุณธรรมที่จะมาระงับความโกรธเกลียด อาฆาตพยาบาทได้ก็คือความให้อภัยให้อภัยไม่จองเวรไม่จองเวรใครทําอะไรพูดอะไรปล่อยเขาพูดไปทําไปเราอย่าไปโกรธอย่าไปเปลี่ยนเขาเพราะเวลาโกรธเกลียดแล้วเรากําลังจุดไฟนระกเผาตัวเราเองความความโกรธความเกลียดเนี่ยเป็นฆ่าศึกที่แท้จริง ไม่ใช่คนที่เขาทำให้เราโกรธเราเกลียดคนที่ทำให้เราโกรธเราเกลียด น, นี้ไม่สามารถทำให้ใจเราร้อนได้สิ่งที่จะทำให้ใจเราร้อนก็คือความโกรธความเกลียดถ้าเขาด่าเราเขาว่าเราเขาทุบตีเราถ้าเราไม่ถือโทษโกรดเคืองเขาเราจะไม่มีความโกรธเมื่อไม่โกรธใจเราก็จะไม่ร้อนใจก็เย็นสบาย เหมือนมีเครื่องปรับอากาศในบ้านนี่แหละคือเมตตาคือต้องให้อภัยไม่จองเลนจองกรรมไม่โกรธไม่เกลียดใครต้องรักต้องมีความปรารถนาดีต่อผู้มีอะไรที่เราพอที่จะแบ่งปันให้เขาได้ก็แบ่งกันไปเช่นมีขนมมีอะไรที่เรา สามาแบ่งให้แก่ผู้น่าแบ่งไปเป็นการสร้างมิตรไม่ใช่เป็นการสร้างศัตรูต่อให้เป็นศัตรูถ้าเราให้เขาอยู่เรื่อยๆไม่นานเขาก็จะกลายเป็นมิตรของเราการมีมิตรนี้ดีกว่าการมีศัตรูเพราะมีศัตรูแล้วนี้ทําให้เราเดือดร้อนอยู่อย่างไม่ปลอดภัย มีความวิตกกังวลหวาดกลัวกับศัตรูที่จะมาทำร้ายเราถ้าเราเปลี่ยนศัตรูให้มาเป็นมิตรได้เราก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องมีความหวาดกลัวดันั้นเราต้องรู้จักให้การให้นี่แหละเป็นการสร้างมิตรอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาสร้างมิตรด้วยการนากับข้าวกับปลาอาหารของข่าวของหวาน เพื่อใช้ไม้สอยเองินทองมาถวายให้กับวัดวัดก็จะเป็นมิตรกับญาติอยู่วัดก็จะยินดีต้อนรับเสมอมาเมื่อไหร่เวลาใดเกิดความเดือดร้อนเมื่อไหร่อยากจะมาหาที่พึ่งทางใจที่วัดวัดก็จะเปิดประตูรับอย่างเต็มที่เพราะเราเป็นมิตรกันถ้าเราให้อะไรใครช่วยเหลือใคร คนนั้นเขาจะเป็นมิตรกับเราเขาจะไม่โกรธไม่เกลียดเราถึงแม้เขาเคยจะโกรธ จ, จะเกลียดเราแต่ถ้าเราให้เขาอยู่เรื่อยๆช่วยเหลือเขาอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วใจเขาก็ต้อง อ, อ่อนใจเขายาต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเพราะความดีนี้ย่อมชนะความโกรธความเปลี่ยนได้ขอให้เราพยายามเจริญเมตตากัน การเจริญเมตตานี้ไม่ได้เจริญในเวลาที่เราอยู่ตามลาพังเช่นเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาความจริงนั้นไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเพราะการแผ่เมตตาจะต้องผู้มีมีผู้มารับความเมตตาของเราเหมือนจะให้เงินนี้ให้เงินไปโดยไม่มีคนรับนี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร เอาเงินไปโปรยไว้ข้างถนนอย่างนี้ไม่มีใครมารับเราต้องมีคนมารับเมื่อเราให้เงินคนที่รับแล้วคนที่รับเงินจากเราเขาก็จะเป็นมิตรกับเราเขาก็จะรักเราจะไม่คิดร้ายกับเราเวลาที่เราแผ่เมตตาตอนที่เราสวดมนต์ไหว้พระนั้นเป็นการทำการบ้าหคือเป็นการซ้อมแผ่ไว้ก่อน ซ้อมสอนใจว่าต่อไปนี้ต้องไม่โกรธไม่เกลียดใครต้องไม่จองเวรจองกรรมใครต้องมีแต่ความปรารถนาดีมีไมตรีจิตต่อทุกๆคนนี่คือการซ้อมเวลาเราแผ่เมตตาเวลาเราสวดสัพเพสัตต า, าเวราหงตุกอันนี้เป็นการเตือนใจสอนใจซ้อมใจเอาไว้ให คดไปในทางที่ดีเพราะเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์จริงเวลาไปเจอคนนั้นคนนี้แล้วเขาพูดไม่ดีทงไม่ดีกับเราเราจะได้แผ่เมตตาได้เหมือนนักมวยก่อนที่เราจะขึ้นเวทีชกกับคู่ต่อสู้เราก็ต้องซ้อมชกกับคู่ซ้อมก่อนชกกับกระสอบทรายก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้วิธีชก ถ้าเราไม่ซ้มเดี๋ยวขึ้นไปบนเวทีเจอคู่ต่อสู้โดนมัดเดียวก็น็อกแล้วแพเขาแล้วคู่ต่อสู้ของเราก็คือความขาดความเมตตา น, นั่นเองก็คือความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาท ค, ความคิดร้ายต่อผู้อันนี้แหละคือคู่ศัตรูของเราไม่ใช่บุคลบคลต่างๆบุคคลต่างๆเขาเป็นเพียงตัว ปลกให้ตัวศัตรูของเราโผล่ขึ้นมาศัตรูของเรานี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ในใจของเราคนที่ทําให้เราโกรดนี้ไม่ได้เป็นศัตรูของเราศัตรูของเราก็คือความโกรธดังนั้นเราอย่าไปทําร้ายคนที่เขาไม่ได้เป็นศัตรูของเราต้องทําร้ายศัตรูของเราศัตรูของเราก็คือความโกรธเราต้องใช้ความเมตตามาดับความโกรธ หรือความเกลียดก็เหมือนกันความไม่ชอบก็เหมือนกันเราต้องใช้ความเมตตาไม่ชอบใครต้องไปสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นให้ได้เอาขนมนมเลยไปให้เขาอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็ชอบกันได้เหมือนผู้ชายเวลาก็จะจีบผู้หญิงนี่ผู้หญิงขนาดไม่ชอบอย่างไรเขาก็ไม่ถอยถ้าเขาชอบซะอย่าง เขาก็มาคอยรับใช้คอยเอาข้าวเอาของอะไรมาให้อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปไม่นานผู้หญิงก็ใจออกเองไม่เคยชอบก็กลับมาชอบชอบเพราะความเมตตานี่ชอบเพราะความปรารถนาดีไม่ฟรีจิตนั้นขอให้เราคิดว่าการแผ่เมตตานี่เป็นการค่าสัตรูของพวกเราคือ ตัวโกรธตัวเกลียตัวอาฆาตพยาบาทตัวนี้มันร้ายกาจถ้าเราไม่ฆ่ามันเดี๋ยวมันพาเราไปตกนรกได้เพราะเวลาเกิดความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมากๆทนไม่ไหวเดี๋ยวต้องไปฆ่าเขาพอฆ่าเขาแล้วทีนี้ก็ต้องไปตกนรกแล้วแต่ถ้าเราดับความโกรธความเกลียดได้ด้วยความเมตตา เราก็จะไม่ต้องไปฆ่าเขาไม่ต้องไปทำร้ายเขาแล้วใจของเราก็เย็นสบายเวลาเจอเขาเราก็ไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวแต่ถ้าเราไปทำร้ายเขาเนี่เราจะกลัวเขาเวลาเจอกันนี่กลัวเขาจะมาทำร้ายเนาะนี่แหละคือการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเวลาพบปะกับคนนั้นคนนี้ แล้วมีเรื่องมีราวกันต้องรีบเอาไฟมาดับทันทีใครก็ทําอะไรไม่ดีเช่นเดินผ่านมาเหยียบเท้าเราชนเราเราต้องรีบแผ่เมตตาทันทีว่า อ, อ๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยได้เดี๋ยวไปมองหน้าเขาด้วยหน้าบูดบึ้งแล้วก็ไปด่าเขาว่าเดินอะไรไม่มีตามาตาเร อ, อนี่เป็นการสร้างศัตรู ไม่ใช่เป็นการสร้างมิตรนี่นะเวลาเราทำอะไรไปที่เราไม่รู้สึกตัวแล้วพอผลที่เราทำไปมันกลับมาหาเราเราก็งงว่ามาได้อย่างไรทำไมเขาถึงเกลียดเราทำไมเขาถึงโกรธเราก็เพราะว่าเราไปทำาให้เขาไม่ชอบเรานั่นเองถ้าเราทำให้เขาชอบเราเขาจะมาโกรธมาเกลียดเราได้อย่าง ดังนั้นขอให้เราระมัดระวังเวลาที่เราพบปะกับบุคคลต่างๆพยายามยกเมตตาขึ้นมาเป็นตัวนำเลยเจอกันก็ทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใสถามสาวว่าทุกข์สุขดิบมีอะไรแบ่งกันได้ก็แบ่งกันไปท่ว น, นี้ก็ทำให้เป็นมิตรกันแล้วแล้วถ้าเกิด เขาพูดหรือทำอะไรที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจก็ต้องให้อภัยอย่าไปถือสาเขาเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราไม่ชอบสิ่งที่เขาพูดกด็ได้เขาไม่รู้ใจเราบางทีพูดเรื่องอะไรทำให้ใจเราไม่สบาย <c oughs> เขาไม่มีเจตนาที่จะทำให้เราไม่สบายใจแต่บางทีเขาไม่รู้เราก็ต้องให้อภัย ถ้าเราให้อภัยได้มีความปรารถนาดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้เราจะมีความสุขแล้วเราจะได้รับอนิสงประโยชน์จากการแผ่เมตตาดังที่พทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายประการด้วยกันคือหนึ่งเราจะเป็นที่รับของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครเกลียดเราไม่มีใครชังเรา สองเราจะมีความสุขทั้งในขณะที่ตื่นและที่หลับเวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขและเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะฝันดีเสมอแล้วก็ถ้าตายไปก็ได้ ไ, ดไปเกิดในสุกติไม่ไปเกิดในอบายและจะไม่ตายด้วยการกระทำของผู้ เช่นจะไม่ได้ตายด้วยการฆ่าด้วยยาพิษด้วยอาวุธเพราะไม่มีใครพาโกรธพกเกลียดเราจะไม่มีใครมาฆ่าเรานี่คืออนิสงส์บางส่วนบางประการของการมีความเมตตาขอให้เราทำแล้วใจของเราจะเย็นจะสบายจะไม่ร้อนความร้อนเกิดจากความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาท ถ้าไม่มีความโกรธเกลียดเครียรแค้อาฆาตพยาบาปใจเราจะเย็นจะมีความสุขอย่างตอนนี้ญาติโยมมีความสุขมีความเย็นใจพราะมีความเมตตาได้ น, นําเอากับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานมาถวายพระเนรใจก็ละเย็นสบายมีความสุขขอให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เฉพาะกับพระเท่านั้นทํากับทุกๆคน ทำกับคนในบ้านทำกับคนนอกบ้านทำกับสัตว์เดรัจฉานทำกับผู้ผีปีศาจ ต, ต่างๆเวลาเจอผีก็แผ่เมตตาอย่าไปวิ่งหนีไม่ต้องกลัวผีเขาทำอะไรเราไม่ได้แผ่เมตตา ส, เสตาัเพสัตตาอเวราหนตุไปอย่าไปแผ่เพื่อให้เขาหนีให้เขาหายไปแผ่ให้เขาอยู่ใกล้ๆเราต่อไปเชื้อเชิญเขาเหมือนเราเจอคนที่เราชอบ แต่คนที่เราชอบเราก็จะชวนให้เขาอยู่ใกล้เราไม่ใช่แผ่เมตตาแล้วบอกให้เขาไปเร็วๆอย่างนี้ไม่เรียกว่าแผ่ถ้าแผ่เมตตานี้ต้องให้เขาอยู่รลดไปตามอัธยาศาัยของเขาอย่าแผ่เพื่อขับไล่เขาอย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่าเป็นการแผ่การแผ่นี้เป็นการมีความปรารถนาดีเขาจะอยู่ก็ได้เขาจะไปก็ได้นี่คือ เรื่องของความเมตตาข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็เรื่องของความการุณาความการุณาก็คือความสงสารเวลาเห็นคนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนขาดแคลนสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีหมอไม่มียา ก, ก็พาไปหาหมอพาไปหายาถ้าอดอยากขาดแคลนก็หาอาหารหมาให้ถ้าขาดเสื้อผ้า ก็หาเสื้อผ้ามาให้เช่นเวลาที่มีอักคีภัยไฟไหม้บ้านไหม้ข้าวของทรัพสมบัติไปหมดไม่มีที่อยู่อาศัยพวกเราผู้ใจบุญก็มีความกรุณาก็ช่วยกันหาข้าวของต่างๆมาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่นนี่เรียกว่าความกรุณายัางมูนิธิต่างๆ มูลนิธิปรเทคติงร่วมกัตาญิ่นี่เป็นพวกที่เขาแผ่ความการุณากันผู้ที่บำเพ็ญกรุณาธรรมทาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วจะทำให้จิตใจเรามีความสุขอย่างที่หน้าวันนี้เขามีปลามาให้เราปล่อยกันเราซื้อปลาแล้วเราปล่อยปล่อยปลาพวกนั้นก็จะเป็นอิสระอะ อยู่อย่างปลอดภัยมีความสุขเหมือนกับเราถ้าเราไปติดคุกติดตารางแล้วมีคนเข้าม า, อาถอนมาประกันตัวเราออกไปอย่างนี้เราจะรู้สึกอย่างไรการติดคุกติดตารางกับการไม่ได้ติดคุกติดตารางอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าเรามีใครมีเพื่อนติดคุกติดตารางสงสารเขา ถ้าไปถ่ายไปประกันตัวเขาออกมาได้ก็ไปถ่ายมาไปช่วยเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความกรุณาเห็นใครตกทุกข์ได้ายากดือร้อนช่วยไปเพราะเราอยู่ในโลกนี้ที่ไม่แน่นอนวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะตกทุกข์ได้ายากขึ้นมาก็ได้ถ้ามีการช่วยเหลือกันพอเราตกทุกข์ได้ายากก็จะมีคนมาช่วยเหลือเรา ถ้าไม่มีการช่วยเหลือกันเวลาเราตกทุกข์ได้ยากก็จะไม่มีใครมาช่วยเหลือเรานี่คือเรื่องของความกรัณาขอให้พยายามทาไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีเพื่อนเราจะอยู่กันอย่างร่้มเย็นเป็นสุขช่วยกันหนักเอาเบาสู้เหมือนเวลาคนที่เขาล้มเราก็ช่วยพยุงเขาขึ้นมาให้เขาเดินได้แต่อย่าไปช่วยแบบ เขาช่วยตัวเองไม่ได้เช่นเวลาเขาล้มก็อุ้มเขาเพราะอุ้มเขาเขาก็เลยสบายไม่ต้องเดินเขาก็จะให้เราอุ้มอยู่เรื่อยๆถ้าช่วยแบบนี้ก็ไม่ดีต้องช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ให้เขารุมขึ้นมาได้แล้วเดินไปทำอะไรของเขาเองได้อย่างมีสุภาษิต ท, ที่เขาบอกว่าอยากให้ปลาให สอนเขารู้จักวิธีตกปลาหาปลาเพราะถ้าเราไม่สอนเขาให้แต่ปลาไปพอปลาหมดเขาก็จะกลับมาขอปลาจากเราใหมา่แต่ถ้าเราสอนให้เขารู้จักวิธีหาปลาพอก็หาปลาได้เขาก็ไม่ต้องมาขอเราเวลาไม่มีปลาก็เหมือนกับคนที่เมียขอเงินทองอย่าให้เงินทองไป ป, ปลาเปล่าให้เงินทองไป เดี๋ยวเงินหมดเขาก็จะกลับมาขอใหม่ต้องให้แบบให้เขาเอาเงินทองนี้ไปหาศึกษาวิธีสร้างเงินทองขึ้นมาเช่นไปเรียนหนังสือหรือไปฝึกหัดวิชาชีพต่างๆซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีค่าเล่าเรียนเราก็ช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับเขาไปพอเขาไปเรียนวิชาชีพมอ มีวิชาชีพแล้วเขาก็ไปทํางานทําการได้หาเงินหาทองได้นี่คือวิธีช่วยที่ถูกต้องช่วยเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้นี่คือความกรุณาข้อที่สก็คือมุติตาก็คือความยินดีต่อความสุขความเจริญของผู้อื่นเวลาผู้อื่นเขามีความสุข เราต้องแสดงความยินดีอย่าไปแสดงความอิจชาหรือเสหรืออย่าไปต่อต้านความสุขความเจริญของผู้อื่นเช่นเวลาเล่นกีฬากันถ้าเราแพ้เเถวชนะก็ยต้องแสดงความยินดีต่อผู้ชนะอย่าไปคัดค้านอย่าไปว่าเขาโกงเขาเล่นไม่ถูกกฎหรืออะไรก็ตามถ้ากรรมการเขาว่าไม่มีการทำผิดกติกา ก็ต้องยอมรับคำตัดสินของกรรมการไปการเล่นกีฬานี้ก็เป็นการสึกให้เราจเจริญมุทิตานี้เองเพราะโดยปกติพวกเรามักจะไม่ชอบให้ใครดีกว่าเราเด่นกว่าเราเพราะชีวิตของเรานี่เหมือนกับการแข่งขันกันเพราะเราต้องแข่งหาเงินหาทองกันแข่งหาความสุขกันเวลาใครเขาได้มากกว่าเรา เก่งกว่าเราเราก็จะไม่พอใจความไม่พอใจก็จะทำให้ใจเราไม่สบายใจเราร้อนแล้วก็อาจจะทำให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีได้เ <that> ช่นไปขัดแข่งขัดขาเขาไปสกัดความเจริญของเขาซึ่งทำไปแล้วก็จะเป็นผลเสียกับเราเพราะเราจะสร้างศัตรูต่อไปเขาก็จะกลับมา ขัดแข่งขัดขาเราสากัดความเจริญของเราแล้วในที่สุดก็ไม่มีใครเจริญสักคนนั้นเราต้องยอมรับว่าความสามารถของเรากับของเขานี้ไม่เหมือนกันบางทีเขาเก่งกว่าเราเขาก็ต้องชนะเราถ้าเราเก่งกว่าเขาเราก็ชนะเขาเป็นเรื่องธรรมดาก็ยอมรับไปเท่านั้นเองผู้แพ้ก็ยอมรับว่าแพ้ผู้ชนะก็ไม่ไม่แสดงความ ย่อยยันต่อผู้แพ้ชนะก็ชนะไปสแสดงความเป็นนักกีฬาด้วยกันทั้งสองฝ่ายผู้ชนะก็ต้องขอบใจผู้แพ้เพราะถ้าไม่มีผู้แพ้จะชนะได้อย่างไรการเล่นกีฬาก็ต้องมีสองฝ่ายถึงจะมีแพ้มีชนะกันได้ดังนั้นผู้ชนะก็ต้องขอบใจผู้แพ้ว่ามามาเล่นมา ถ้าไม่มาเล่นด้วยก็จะไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะผู้แพ้ก็ต้องขอบใจว่ า, าเรารู้ว่าตอนนี้เรายังไม่เก่งเราต้องซ้อมต้องฝึกให้มากขึ้นต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นนี่คือเรื่องของมุติตาอย่าไปอิจฉาหริอเสยอย่าไปสกัดกั้นความสุขความเจริญของผู้อื่นเพราะจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาให แต่มุดิตาให้แสดงความยินดีแล้วเราจะรักษามิตรภาพของกันและกันได้ผู้ชนะเขาอาจจะแบ่งรางวัลให้กับเราก็ได้ถ้าเรามีน้ําใจกับเขาเดี๋ยวเขาก็จะมีน้ําใจกับเรานี่คือข้อที่สข้อที่สก็คืออุเบกขาอุเบกขาก็คือการฝึกทำใจให้เฉยเฉยอย่าวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ เพราะเราอยู่ในโลกที่มีเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งเจริญมีทั้งเสือ่อมมีทั้งสารเสริญมีทั้งนินทาถ้าเราไม่รู้จักทำใจให้เฉยๆใจของเราก็จะขึ้นขึ้นลงๆกับเหตุการณ์ต่างๆเวลาเจอสุขก็ดีใจสุดโต๊เวลาทุกข์ก็จะเสียใจสุดโต เวลาใครชมก็ตัวลอยขึ้นสวรรค์เวลาใครด่าก็ตกลงไปในนรกแต่ถ้าเรารู้สึกฝึกทำใจให้เป็นอุเบกขาก็คือเฉยๆเจอสุขก็เฉยเจอทุกข์ก็เฉยเจอนินทาก็เฉยเจอสิ่งสรรเสริญก็เฉยใจของเราจะมีความสุขเพราะความเฉยนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริง ขอให้เรามาฝึกทำใจให้เฉยวิธีที่จะทำใจให้เฉยเป็นอเุเบกขาก็คือการฝึกนั่งสมาธิถ้าใจเรามีสมาธิมีความสงบใจเราจะเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะดีจะชั่วใจของเราก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดรอ้อนใจของเราจะเย็นจะสบายเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมา นี่คือคุณธรรมสี่ประการที่เป็นเครื่องปรับอากาศของใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามหมั่นสร้างกันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหมันแผเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะมีความนุ่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศคนอยู่ในบ้านจะอยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่เหมือนกับบ้านที่มีไม่มีเครื่องปรับอากาศจะร้อนจะไม่สบายใจของเราก็เหมือนบ้านของเราเราต้องสร้างบ้านของเราทําบ้านของเราให้เย็นด้วยการติดเครื่องปรับอากาศคือคุณธรรมสีประการที่มีชื่อว่าพรมวิหารสีการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้